ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้นแน่วแน่เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาประชุมกันในสารากา ร, ปรเปลี่ยนนี้ข้อมุ่งหมายก็เพื่อที่จะฝึกต้นให้ เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสปวามประทัทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธาฝึกตนนี่นะี่ะก็คงพากันเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่มาแล้วเพราะวัดพาศาสานานี่มีจุดวงหมาย แนะนำสั่งสอนให้คนฝึกตนเพื่อลากกิเลสตัณหาออกไปจากกิจใจนี้เท่านั้นเป็นจุดสำคัญไม่ใช่อย่างอื่นใดการทำความดีทุกอย่างก็เพื่อให้บุญกุศลหรือความดีเหล่านะั้นเป็นกำลังใจให้ใจเข้มแข็ง เพื่อจะได้ต่อสู้กับอำนาจของกิเลสและบาปประรรมทั้งหลายเพราะกิเลสมันก็มีอิทธิพลไม่ใช่ย่อยเนื่องจากว่าบุคคลไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องต่อต้านกับกิเลสนั่นแหละจึงได้ตก อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเสียมากต่อมากในโลกนี้กิเลสมันชักจูไงให้ไปทำความชั่วต่างๆนั้นน่าก็ไปตามมันเนื่องจากว่าผู้นั้นไม่มีอำนาจเหนือกิเลสกำลังใจอ่อนแอไม่มีคุณธรรม เป็นเครื่องอยู่ใน จ, ใจิตใจดังนั้นจึงตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานานับประการได้รับทุกทนทรมานชาติแล้วกว่าชาติเล่าเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในสงสารนี่ไอ้บุคคลผู้ ไม่ได้สดับคำสอนของพระเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้หนทางออกจากทุก์ในวัฏสงสารนี่ได้จึงตกอยู่ในวัฏอุนสามประการคือกิเลสสวัส กรรมวัตรวิภากรรวัรอวันี่แหละกิเลสทวัดก็คือความโลภความโกรธความหลงหรือว่าราคะโทสะโมหะมรณทิฏฐิเป็นตน้นเหล่านี้แหละบรรดานให้คนเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างนี่ให้เข้าใจ กรรมดีกรรมชั่วเหล่านี้ก็ให้ผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารนี่ท่านเรียกว่าวิปากาวัตวัตตะนี่แปลว่าบนมเมื่อได้สวยบาปกรรมนั่นแล้วก็ไปทำบาปกรรมอื่นต่อไปอีก เช่นอย่างว่าบุคคลผู้ที่มีกรรมวิบากตามสนองกิตใจไม่ดีเช่นนี้นะมีความโกรธจัดมีความบัญบาทอยู่ในใจเมื่อใครทำอะไรไม่ถูกใจก็ผูกใจเจ็บไว้เมื่อได้โอกาสก็แก้แค้นมัน นั่นแหละคนมีกรรมมีเวรเปอย่างนั้นแล้วก็อา้าวสร้างบาปกรรมต่อไปอีกอาบาปกรรมอะไรก็นำให้ไปในบังเกิดที่ทุกข์ยากลาบากที่ท่านเรียกว่านรกอบายภูมิไปอย่างนั้นแล้วคนห น, หนึ่งเกิดมาในโลกนี่ ไม่ใช่จะทำแต่บาปกรรมอย่างเดียวหาไม่ได้คณงามความดีกระทำไว้เวลาใจดีอืมนั้นเมื่อเสวยวิบากรรม น, นั้นหมดไปแล้วไอ้บุญนั้นก็ให้ผลสืบต่อก็ได้เกิดมาเป็นคนได้เสวยความสุขเนื่องจากอํา อานุภาพของบุญนั่นแหละโดนบันดาลให้ได้เสวยความสุขตามฐานะตามกําลังของบุญแล้วแต่ใครทําบุญมากน้อยเพียงใดก็ได้รับความสุขเพียงนั้นอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นวิปา ก, กาวัตวิปา ก, กาวัตอันนี้แหละเมื่อบุคคลไม่รู้เท่ามันก็เป็นเหตุให้เกิด ความโลภโกรธหลงขึ้นมาอีกมาหากิเลสของเขานี่แหละอีกนะ่ะความโลภโกรธหลงนี่ก็เป็นเหตุได้ทำดีบ้างคือให้ทานรักษาศีลฟังธรรมภาวนาเหล่านี้เรียกว่าทำความดีเอากิเลสผายชั่วมันผัดโดนใจให้ทำบาป เบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกล่ามุส า, าวาดดื่มชุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอินของเสพติดให้โทษต่างๆทั้งหมดนี้พระศาสดาทรงรู้แจ้งแทงตลอดว่าบุคคลผู้ทากรรมชั่วทั้งห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึง่ง ล้วนแต่เป็นบาปกรรมทั้งนั้นเลยบาปกรรมเหล่านี้แหละก็ น, นำสนองให้เป็นทุกข์อีกเรียกว่าวิปปากวัฏเนี่ยลองคิดดูให้ดีพระพุทธเจ้าจึงเงาวัฏตะโตโลโกโลกอันนี้มันวนไปวนมาเนื่องจากว่ามนุษย์เรา นี่ไม่รู้จักทางออกเลยไม่รู้จักทางออกจากวัตตะวนเหล่านี้ถ้าผูดด้ใดสึดับคำสอนของพระเทเจ้าแล้วก็ทบทวนเข้ามาดูกายดูจิตอันนี้ก็จะรู้ได้เลยว่ากรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำนี้ มันก็มาเกิดจากดวงจิตดวงนี้แหละเมื่อจิตนี่เจตนาดีมันก็ทําดีพูดดีไปก็เป็นบุญเป็นกุศลไปเมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาชั่วแฝงอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงมันก็ใช้กายวาจาทําชั่วพูดชั่วมีฆ่าสัตว์เป็นต้น มีดื่มธุราเมรัยเป็นที่สุดดังกล่าวมาแล้วนี่นี่เป็นทางที่ผูกมัดรักยึงให้สัตว์โลกทั้งหลายค้องอยู่ในโลกนี้ ส, สุขบ้างทุกบ้างตามกรรมที่ตนทำนั่นนั้นผู้ใดได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างว่านี้แล้ว ก็เป็นผู้ละเว้นกรรมชั่วทั้งห้าอย่างนั้นเสียเมื่อราเว้นกรรมชั่วนั้นได้ก็เป็นนั้นว่าออกจากอบายภูมิทั้งสี่ได้คือออกจากนรกเปรตอสุรกายสติไรฉันหมายความว่าไม่มีกรรมชั่วใดที่จะนำดงกิจนี่ไปเกิดในภูมิทั้งสี่นั้นนั่นแหละ ชื่อว่าเป็นผู้พ้นจากทุกยางงาบมีนรกเป็นตน้นอา้าวเมื่อพ้นจากทุกยางงาบอันนั้นมาแล้วบัดนี้ก็มาติดอยู่ในทุกอย่างกลางทุกอย่างกลางนี่ก็หมายถึงกิเลสปลายดีนั่นเอง อยากเป็นผู้มีความยินดีในการมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้บุคคลผู้ที่ยินดีอยู่ในการมคุณดังกล่ามานี้เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าอั น, นิี้สงสานอันนี้สงสิ้น ทำให้ไปเกิดในสวรรค์ทมเมื่อมาสู่โลกนี้ก็บุญกุศลก็จะโดนบันดาลให้เกิดในตระกูลสูงมีฐานะดีร่ำรวยเงินทองเข้าขอ ง, ของลาบยศสนเสริญละความสุขต่างๆ ừ ừ. เมื่อมาพบกับความสุขเหล่านี้ก็ติดใจในความสุขดังกล่าวานั้น ทำบุญทำทานอะไรกับปารนาะขอให้ได้ร่ำรวยได้มีลาบมียศทนเสริญมีความสุขมีอายุยั่งยืนนานทําบุญกุศลอะไรก็ตั้งความปารนาลงไปอย่างนั้นนี่ท่านเนี่ย ว, วัดติดอยู่ในวัฏฏสงสารอันนี้เพราะไม่รู้แจ้ง กรมาวาจรกุศลอันนี้ว่ามันเป็นเหตุให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ไม่มีสิ้นสุดถ้าบุคคลปรารถนาอย่างว่านันนะไอบุญกุศลนั่นเมื่อเมื่อปราศานาแล้วทำบุญกุศลลงไปรักษาศีลไปบุญกุศลนั่นก็อำนวยผลให้เกิดในตระกูลสงูงชิง ร่ำรวยเงินทองเก้าของมากมายแต่ตานีนนะวันนี้นะไม่ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสทำบุญบริจาคทานแล้วเพราะว่าใจมันผูกพันอยู่กับสมบัติอันเป็นโลกีอันนั้นมากมายมาแต่ชาติก่อนหอนหลังโน้ก็เกิดมาชาตินี้มาเห็นสมบัติอันมโหฬารเช่นนั้นแล้วก็ปื้มใจ มีจิตใจผูกพันอยู่ทำบุญได้ทานก็ไม่ได้ว่าทำได้ก็ทำเพียงเล็กน้อยไม่สงกับฐานะเลยเมื่อชาตินี้ทำบุญน้อยแล้ววันนี้นะเกิดไปชาติหน้าแทนที่ได้เป็นเศรษฐีกาบดีเหมือนชาตินิหามีได้เลยบุญกุศลมีน้อยเดียวนี่ มันก็ไปอำนวยผลให้มีความสุขเล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์ด้วยลาภยศสนเสริญในความสุขกายสบายใจอายุก็ไม่ยืนนานเป็นอย่างนั้นนี่ที่เรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายยอมเป็นไปตามกรรมคู้ได้ทำกรรมอันใดยอมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้น อันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นความจริงอั น, นึ่งพุทธศาสนิกชนไม่ควรที่จะละเลยความรู้ความเห็นความคิดวิจารณ์อย่างนี้ไม่ควรจะละเลยในการวินิจฉัยเหตุปัจจัยแห่งชีวิตของตนถ้าไม่วิวินจัยอย่างว่านี้ก็เลยไม่รู้เหตุ แห่งความทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งความทุกขเมื่อไม่รู้เหตุแห่งความทุกข์มันก็สะสมเหตุแห่งความทุกข์ใส่ตัวไว้เมื่อไม่รู้เหตุแห่งความสุขมันก็ไม่ได้ทําเหตุให้เกิดความสุขที่แท้จริงมันเป็นอย่างนั้นสุขก็สุกเจืออยู่ด้วยการะคุณสุขเจืออยู่ด้วยความรักความใคร่สึกสุขเจืออยู่ด้วยความหลงความเมา สุขเช่นนั้นน่ะมันพระพุทธเจ้าก็อุปมาไว้เหมือนกับยาพิษเค ล, ลาาเือบน้ำตาลนั่นแหละทำมายาพิษเคลือบน้ำตาลนี่เวลาอมเข้าไปในปากมันก็รู้สึกหวานอ่าดีอย่างนี้นะกลืนลงไปในท้องแล้วเมื่อน้ำตาลนั้นยังไม่ละลาย ยาพิษนั้นมันก็ยังไม่ทำพิษเมื่อน้ำตาลมันละลายออกจากยาพิษแล้ววะนี่ยาพิษละลายไปทั่วร่างกายมันก็ทำพิษต่วันนี้นะทำให้เจ็บปวดทุกขเวทนาถึงล้มถึงตายไปก็มีดังนั้นนะทุกคน ให้เพิ่งพากันพิจารณาเห็นความสุขอันเจืออยู่ด้วยทุกข์หรือว่าเห็นบุญกุศลอันเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาดังกล่าวมาแล้วนั้นอืมดังนั้นการทาบุญกุศลเนะ่ะอย่าไปปรารถนาให้ได้สมบัติอันเป็นส่วนโลกี เพิ่งปรารถนาว่าด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลอันนี้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารอันนี้ก็เพิ่งตั้งใจของตนลงอย่างนั้น mm hmm. เมื่อตั้งปรารถนาลงไปอย่างนั้นน่ะบุญกุศลมันก็อำนวยผลได้ตามความประสงค์ของผู้กระทาบำเพ็ญ ทำอย่างไรผู้นั้นจะมีความสุขบุญกุศลมันก็อํานวยผลให้ตามกําลังของบุญกุศลที่ผู้นั้นกระทมเช่นนี้แหละไม่ต้องปราชนาว่ค่อยข้าพเจ้ามีรูปสวยรูปงามข้าพเจ้ามีเงินมีท้องมากมายขายกองขอให้ข้าพเจ้ามีอํานาจวาสนามีคนเข้ารบยําเกรง ไม่ต้องปรารถนาอย่างนั้นเลยขณัมวมันเป็นเครื่องข้องอยู่ในวตาสงสารไม่ปรารถนาก็ได้ถ้าเราทำความดีเข้าขั้นนั้นๆ น, น, นะมไม่ปรารถนาบุญกุศลก็โดนบันดาลให้เพราะเช็นอย่างว่าผู้มีศรัทธาบริจาคเข้าน้าโภชนะอาหาร หรือผ้านุ่งผ้าโฮมที่อยู่ที่อาศัยอยู่ยาเป็นทานเช่นนี้นะบุญกุศลมันก็อำนวยผลได้ทั้งสี่ประการนั่นแหละอันนี้สงทานมันก็ทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วอันนี้สงสิลมันก็ทำให้มีรูปสวยรูปงาม แล้วก็ไม่มีโรคภัยและแดงเบียดเบียนมีอายุยั่งยืนนานเพราะว่าผู้ได้เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วไอ้บุญกุศลนั้นมันอํานวยผลให้มีอายุยั่งยืนนานไม่ต้องปรารถนาก็ได้อืมผู้ได้ไหวพระภาวนาโย ฝึกขนจิตใจของตนให้เข้าถึงความสงบสับนิบาตห้าดับไปเช่นนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นนี่มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จากธรรมที่เป็นโลกีรู้จากธรรมที่เป็นโลกุตระเมื่อปัญญาอันมันบังเกิดขึ้นจากสมาธินั้น ให้เข้าใจสามารถแยกแยะได้หมายความว่าธรรมารมที่เกิดขึ้นในใจนั่นนะความคิดชนนี้หมายถึงคิดดีเป็นกุศลธรรมอันเป็นส่วนโล ก, กีอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าบุคคลมีความเลื่อมใส ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เป็นอารมณ์อยู่ในใจและวันนี้เมื่อมาเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาหล่อไว้ให้คนกราบไหวบูชาก็ ม, ามีความเริ่มใแก่กล้าขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้แสวงหาเครื่องสักการะบูชา อันสวยๆงามๆดอกไม้ก่องงามถูกก็หอมจัดระเบียบดอกไม้ก็เป็นแถวเป็นทันดีจัดดอกไม้ก็สวยสดงดงามดีสลับสีกันไปผู้ชำนาญ น, นะผู้มีความเลื่อมใสในพระคุณของพระเจ้าเป็นอารมณ์ อันนี้ท่านเรียกว่ากุศลกราร ม, มาวาจรอาศัยปารบรูปเป็นอารมณ์นี่ก็ให้จิตเกิดเป็นกุศลขึ้นมาผู้มีความเลื่อมใสในพระธรรมอย่างแรงกล้าอย่างนี้ตสสั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยไม่ประมาทเพราะผู้นั้นมองเห็นว่า พระธรรมวินัยคำสองพุทธเจ้านี้เป็นนิยานิฆธรรมนำผู้ประพฤติธปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ให้ไปได้จริงเมื่อมองเห็นอย่างนี้แล้วมันก็พอใจที่จะศึกษาเรียนท่องบนจดจำเอาให้ได้ไม่มากก็น้อยอ่้ อ, อย่างนี้แหละ เมื่อผู้เริ่มใส่ในพระธรรมแล้วเรียนแล้วจําได้แล้วยังไม่พอบัดนี้ก็ตั้งใจปฏิบัติให้ตรงตามธรรมตามวินัยที่ตนได้เรียนได้จํามานั้นทั้งแต่อย่างต่ำํำมิจนไปถึงอย่างสูงหรืออย่างงับไปจนถึงอย่างละเอียดเพราะธรรมะธรรมสองอุติเจ้ามันมีทั้งอย่างต่าอย่างกลางอย่างสูง อย่างนี้ก็ต้องศึกษาให้เข้าใจอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญารู้จักเลือกเว้นว่าปฏิบัติอย่างนี้ทาอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมอย่างนี้เช่นอย่างว่าเอา้าถ้าผู้มีศรัทธาให้ทานอย่างนี้นะก็ให้ทานไม่หวังผลตอบแทนอะไรกับใครให้ไปแล้วแล้วไปเลย ไม่ได้นึกว่าจะให้คนผู้รับทานอนั้นหาอะไรต่ออะไรมาตอบแทนตนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่คิดเลยให้แล้วก็แล้วไปอ่าอย่างนี้นะรักษาศีลอย่างนี้ก็ดีจนรักษาศีนลงไปแล้วก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะให้ใครมาสรรเสริญเยินยอ หรือว่ารักษาศีลอยากได้เป็นเท พ, พบุตรเทพพดาอย่างนี้ก็ไม่เอาอรักษาศีลเพื่อเว้นจากบาปจากโทษเว้นจากกรรมจากเวรทั้งหลายเท่านั้นแหละเพราะคนเรานะถ้าว่าไม่มีกรรมมีเวรติดตามติดสอยห้อยตามสนองให้เป็นทุกข์แล้วมันก็ มันก็มีความสุขสูงขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็ไม่ได้รับความทุกข์อย่างง่ายยากมีทุกข์ในนรกเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นเช่นนี้แล้วอา น, นิสงสินั่นมันก็จะนำแต่ดวงจิตของบุคคลให้ดิ่งไปสู่พระนิพพานโดยตรง แม้ว่ายังไม่ถึงบริพานไปเกิดสวรรค์อย่างนี้ก็ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นเพราะว่าตนไม่ได้ปรารถนาความสุขอันเจืออยู่ด้วยขิเลศทันหาต่างๆเหล่านั้นในเมื่อสร้างบุญบา ร, รมีแต่เป็นมนุษย์นี้อย่างนี้นะมุ่งหวังให้อนิสงทานอนิสงสินเหล่านี้ นำตนให้พ้นจากทุกข์ถึงซึ่งความสุขอันเป็นแก่นสารมีพระนิพพานเป็นที่สุดจนด้วยพระนั่งสมาธิภาวนาก็ไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้รู้นั้นรู้นี้หรือมุ่งหวังที่จะให้เห็นเท ว, เทวดา หรือว่ามุ่งหวังที่จะได้เห็นพูดผีปีชาตพวกเปรตอะไรต่ออะไรหรือว่าภาวนาไม่ได้มุ่งหวังว่าที่จะได้เห็นขุมทรัพย์อยู่ในดินสินอยู่ในน้าแล้วภาวนาไม่ได้มุ่งหวังว่าที่จะให้ใครยกย่องนับถือว่าตนเป็นผู้ภาวนาเก่ง เป็นผู้วิเศษวิษโสอย่างน้นอย่างนี้นั่นเรียกว่าการไหวพระภาวนาไม่ได้มุ่มงหวังผลตอบแทนดังกล่าวมานั้นเลยภาวนาเพื่อที่จะชำระกิเลสให้เบาบางรื้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้เท่านั้นเองถ้าพูดโกงๆแล้วก็เพื่อที่จะกำจัด อวิชชาความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในทรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าสแสดงไว้นี่แหละเพื่อภาวนาเพื่อละความหลงความเมาความไม่รู้ตัวต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนอย่างอื่นใดทั้งหมดหรือพูดสันส้นๆว่าภาวนา ก็เพื่อละราคะโทสะโมหะมานะสิธิสัพสังขิเลตน้อยใหญ่ทั้งหลายออกจากจิตใจนี้โดยตรงผู้ใดตั้งใจลงอย่างว่านี่หละการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันก็ย่อมได้ผลเป็นที่พออกพอใจไม่หลงง่วงอยู่ในวัต า, าสงสารอันนี้ เปอย่างนั้นขอให้เข้าใจเพราะว่าพระพุทธศาสน า, านี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหรือทรงแสดงธรรมก็ทรงแสดงไว้ให้ให้เหมาะสมกับจริตนิสัยของบุคคลทุกประเภทเช่นนี้ ดังนั้นคำสอนของพระ อ, องค์นะ่ะเหมือนถึงมีทาท่าเปรียบเหมือนต้นไม้แล้วก็มีทั้งเปลือกมีทั้งกัะพี้มีทั้งแก่นมีทั้งใบมีทั้งดอกมีทั้งผลพระธรรมคาสอนของอุทยาตก็เป็นเช่นนั้นแหละอ้บุคคลผู้ที่ อินทรีย์บ ร, รมียังอ่อนอยู่เนี่ยปฏิบัติตามคําสองุอตตเจ้าขอไม่ได้เต็มที่แหละส่วนได้มีความสามารถพอจะปฏิบัติตามได้ก็ปฏิบัติไปทําไปก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยไปอย่างนี้แหละเรแต่ขอให้มีความเชื่อมั่นในใจจริงๆเชื่อมั่นในการกระทําความดีของตนนั่นนหะ เช่นอ่าว่าการให้ทานอย่างนี้นะให้มีความเชื่อมั่นในทานในผลของทานนั้นว่าจะนําตนในพ้นทุกได้จริงแหละอย่างนี้ตนมีน้อยก็ให้ตามน้อยมีมากก็ให้ตามมากแต่ให้ได้ด้วยความเต็มใจจริงๆรด้วยความเรื่อมใส จ, จริงๆให้ด้วยความเชื่อมั่นว่าทานการบริจาคนี้เนะียจะนําตนในพ้นจากทุกจริง่ง ถ้าผู้ใดตั้งใจลงให้ถูกต้องดังกล่าวมานี่การในทานของผู้นั้นมันก็ย่อมมีผลมากเหมือนอย่างปินบาลทุกขตาที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วนั่นแหละเขาทุกข์เขาจนมีผ้านุ่งผืนเดียวหนึ่งแล้วฝา น, นั้นรับจ้างเศรษฐีได้เข้ากวันละหม้อเท่านั้นเงินบาทถึงก็ไม่ได้เพื่อนก็ยังแบ่ง ใส่บาทรสักครึ่งหนึ่งตัวกะรับทานสักครึ่งหนึ่งอิ่มก็าตามไม่อิ่มก็ช่างดูสิแล้วใครจะทำได้อย่างนั้นเนะลองดูอ่ะมีผ้านุ่งผืนเดียวยังเอาไปขายแล้วเอาเงินไปซื้อเข็มกลับได้ไปโมทนากฐินกับมหาเศรษฐีอันนี้สงแรงจนเทวดาบนสวรรค์ อันตามประวัตินะก่อนที่เขาจะทำบุญทาทานอย่างนี้เขาก็นึกว่าเออเหตุที่เราเป็นคนยากจนคนแค้นอย่างนี้ก็เพราะแต่ชาติก่อนเราคงไม่ได้ทำบุญให้ทานเป็นคนตหนีเหนียวแน่น ม, มาชาตินี้แล้วเราได้เกิดมาพ บ, พ, บพุทธศาสนาแล้ว เราจะอ้างว่าเรายากเราจนไม่มีอะไรจะทําบุญให้ทานแล้วก็เลยไม่ทําบุญให้ทานเซะเลยอย่างนี้เอาชาติต่อไปเรายิ่งจะทุกข์หลายกว่านี้จะไปตกนรกอบายภูมินู่นนะเมอกีคิดได้แล้วอย่างนั้นจึงว่าตัดสินใจอ่ะได้รับทานจากเศรษฐีเข้าวันละม้อหุงแล้วก็แบ่ง เป็นสองส่วนวนหนึ่งตนรับประทานวนหนึ่งก็ใส่บาตรให้พระเสียมีผ้า พ, พื้นเดียวก็เอาไปจำน่ายขายได้เงินล้วซื้อได้และเข็มไปโมทนากระถินกับเศรษฐีเลยตนนั้นจะยากจนอย่างไรก็ช่างนี่เรียว่าคนเชื่อบุญนี่นะคนยากคนจนเช่นนั้นเข้าใจว่าเขาคงไม่มีจิตเป็นบาป ไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเศรษฐีให้รางวัลเท่าไรก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ไปลักไปล่อเอาของของใครมาเป็นของตนไม่ไปประพฤติผิดศิจฉารย์การทำชู้กับเมียของคนอื่นอย่างนี้นะ แล้วก็ไม่พูดโกหกผกรภมใครไม่ดื่มเหล้าเอาสุรากัญชายาฟินเฮโรอินเขายากเขาจนก็จริงอยู่ดอกแต่เขาไม่ได้ทำบาปดังกล่าวมานั้นดังนั้นเนี่ยอันนี้สงทานที่เขาไปได้ไ ด, ได้กับเข็มไปอนุมโทนากระถินกับเศรษฐีเน่มันจึงแรงกล้ามาก บันดาลให้ผลในปัจจุบันได้เป็นเศรษฐีขึ้นในปัจจุวันเพราะว่าเศรษฐีที่เป็นเจ้าของทานนั้นนะเลื่อมใสกับชายทุกขติทุกขตะคนนั้นมากเนื่องจากว่าเขาให้ทานอาซึ่งให้ให้ยากแก่บุคคลที่ทั่วทั่วไปเรียกว่าให้ในสิ่งที่ให้ได้ยาก เข้าหม้อเดียวแบ่งเป็นสองส่วนตนเองก็กินไปสัส่วนหนึ่งอิ่มก็ตา ม, ม่อิ่มก็ชั่งนี่นะส่วนหนึ่งก็ใส่บาทเสียงนี่นะส่วนมากคนทำไม่ได้เมื่อปากท้องยังไม่อิ่มแล้วจะไปให้ผู้อื่นยังไม่ได้เลยอันนี้เรียกว่าวินิจัยเรื่องการได้ทานมีผลมากสู่กันฟังอันนี้นะไม่ใช่อย่างอื่นไกลหรอก หรือเขว่าทุกชายตินนบาลทุกกระตานั่นนะเขาทั้งมีศีลด้วยนั่นมีทานด้วยอย่างนี้นะภาวนาก็คือเขาดํำรินั่นเนี่ยเขาดําริว่าเออเศรษฐาก่อนเราคงไม่ได้ให้ทานมาเราจึงยากกิรจนอย่างนี้อืมหาชาตินี่เราจะไม่ให้ทานอีกต่อไปเบื้องหน้าเราก็ยิ่งตกทุกข์ได้ยากลําบากไป การนี่เขาได้ดำริตรีตองอย่างนั้นนะนั่นแหละเรียกว่าภาวนาในในในระดับหนึงหมายความอย่างนั้นให้เข้าใจเขาก็คงไม่ได้นั่งสมาธิสำลวมจิตให้สงบลงเป็นหนึ่งอย่างคนทั้งหลายทํากันอยู่นั่นหรอกแต่เขาดำริตรีตองถูกทางนี่ เหตุดังนั้นอานิสงส์ที่เขาบริจาคทานมันยังได้มีมากสามารถให้ผลในปัจจุบันอย่างนี้บุคคลมีปัญญาทําบุญมันก็ได้บุญมากอย่างว่านี่เนะ่ยแม้ของทานนั้นจะไม่ละเอียดสนิดไม่มีค่ามากเท่าไหร่ก็ตาม แต่ว่าความคิดความเห็นในใจนั้นน่ะมันละเอียดมันฝันนิดมันถูกท่องทางนี่ตินาบานทุกขนะนั่นน่ะเขาปาราบความทุกข์ในชีวิตเป็นอารมณ์ถือเอาใจความนะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาเป็นทุกข์อย่างนี้เพราะเขาไม่ได้ทำความดีมามากแต่ก่อน ความดำริของเขามันเป็นสัมมาสังกปะแล้วนี่นั่นเองเป็นความดำริที่จะถอนตนออกจากความทุกข์หรือกิเลสบาประธรรมทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ่ะอาจจะค้นสวนมากมันไม่ดำริอย่างนั้นนะอืม แต่บางบางคนก็ดำลิกอยู่หอกดำลิกอยู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรพากันทำความคิดความเห็นในใจนี้ให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมดังกล่าวมาแล้วนั่นแล้วการประกอบกุศลคุณงามความดีในพระพุทธศาสนานี่ ก็จะเป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลด้วยสติปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็พลันที่จะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานได้โดยรวดเร็วหมายความว่าอย่างนั้นไม่ชักช้าถ้าบุคคลที่มีความเห็น ไม่ถูกทางแล้วก็อย่างที่ว่าให้ฟังมานั่นแหละไอ้กรรมดีกรมชั่วมันก็นำดวงกิจนี้ให้เทวเกิดแก่เจ็บตายได้เสวยสุขบ้างได้เสวยสุกก็คือได้มนุษย์สุขมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความสุขมีลาบมียอดสันและเริญ ถ้าถ้าไปเกิดในสวรรค์ก็ได้สวยสมบัติอันเป็นทิพย์มีอายุยั่งยืนนานนี่ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ทำกันลงไปแล้ววันี่มันเจืออยู่ด้วยกิเลสด้วยพอถึงข่าวทำบาปมาอ้าวก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปช่อกงหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตอน คนมีเงินมีทองมากมากจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นผู้ชายก็มักจะมีหลายเมียบางทีก็ไปซ่องเซ็บกับภรรยาคนเอิญก็มีนี่แหละคนมีจิตใจ เป็นทั้งบุญทั้งบาปข่าวใดเป็นบุญก็เว้นจากความชั่วเหล่านั้นได้ขาวใดจิตคิดเป็นบาปมีความโลภโกรธหลงครอบงำจิตใจมากก็ทำชั่วดังกล่าวนั้นแล้วก็ชอบพูดโกหกพกกลมพูดหลอกลวงเอาสมบัติฝืนมาเป็นของตอนพูดเสียบแทงคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจ เมื่อโกรธขึ้นมาแล้วแค่นี้ชอบพูดยุยงส่งเสริมให้คนทะเลาะวิวาดกันอชอบพูดคำหยาบด่าแช่งคนอื่นไปเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ชอบพูดเพอ้เอเจ้อเลี้ยวไหลไม่สำรวมวาจาเพราะจิตใจมันไม่ส ง, งบ คิดได้ยังไงก็พูดเลื่อยเปลยไปอย่างนั้นนะอันนี้แหละข้าวข้าได้จิตใจเป็นอกุศลเนนะ่ะมันก็ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปดังกล่าวมานั้นนะแล้วก็ได้รับทุกข์เป็นผลแล้ววันนี้นะนการต่อไปเป็นอย่างนั้นที่คำว่ากรรมวิบากมันให้ผลนะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนั่นนะ มันเป็นอย่างนั้นพูดพูดเช่นนั้นนะออ ก, กากวัตะวนนี้ไม่ได้หมายเขาว่าอย่างนั้นวนอยู่ในสุขวนอยู่ในทุกขอันเป็นส่วนโลกีนี่แหละอา่าบางบางทีเกิดขึ้นมาชาติใดชาติหนึ่งบุญกุศลที่ทำมาตะก่อนมาอำนวยผลให้มีรูปสวยรูปงาม อย่างนี้ส่องกระจกดูเงาหน้าอยู่ทรวดทรงของตัวเองน่ะแม่เพิ่มใจตนเองนี่สวยงามมากมก็ไปติดอยู่ในรูปกายอนาถวันนี้นแะนนะนนแล้วเท่าที่ได้สราบมาฟังมาเนี่ยไอ้ผู้หญิงนี่แหละมีภัยอันตรายมากเมื่อหลงไหลในความสวยงามของตนนะอ่ะ อ้าวชายมาจีบนั่นก็เป็นชายรูปร่างสวยงามอย่างนี้นะเมื่อไม่เห็นเขาแล้วก็หลงรักหลงใครเขาอ้าพออีกชายอีกคนหนึง่งมาจีบเข้าไว้กระผัดหลงไหลข้างใครไปก็เขาอีกเมื่อหลายคนมาจีบเขา้าจะไม่สแสดงความสมัครรักใครกับเขา ก, ก, กลัวเขาจะเบียดเบียนเอา ก็แสดงอาการรักใ่เพอใจเหมือนๆกันในที่สุดคนผู้ชายที่ใจดำอมหิทเนี่ยมันรู้เข้าแล้วเอไอไอ้นางนี่มันคนหลายใจอ่ะอย่าอยู่เลยในโลกเนี่ยถ้าว่ามันปลดมือจากเราไปไปของผู้อื่นเราก็เสียไดย้ไปไปเกิดเอาใหม่ในโลกหน้าเธออ่าอันนั้นะเขาก็ฆ่าให้ตาย มีอยู่เยอะแยะคนลูกสวยลูกงา ม, มาแล้วถูกฆ่าตายเพราะความรักความใคร่นี่แหละที่นี่นะผู้ใดหากว่ามีลูกสวยลูกงามแล้วก็มานึกทบทวนดูว่าโอ้แต่ชาติก่อนเราคงทำบุญกุศลมาทำความดีมาเราคงไม่ชอบอิจฉาหรือสดูถูกดูหมิ่นผู้อืน่นมา แต่ก่อนเราคงจะชอบมีใจดีแล้วชอบพูดจาไพเราะอ่อนหวานเราไม่พูดเสียบแท้งให้ใครเจ็บอกเก็บใจเราไม่โกรธไม่กิ้วใครอันนี้สงอันนั้นแหละนำมาให้เรามาเกิดขึ้นมาแล้วมีรูปมีร่างอันสวยสดงดงามผิวพรรณูดฟ่องดีอย่างนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องทำดีอย่างนี้เรื่อยไปเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องจ ะ, จะเป็นผู้ไม่มีความรักหลายใจหลายคนเพราะมันมีภัยอันตรายมาสู่ตนถ้าว่าจะรักก็รักแักคนใดคนหนึ่งซึ่งพิจารณาเห็นแล้วว่า เขาจะพาตนให้มีความสุขความเจริญได้อย่างนี้มันก็ไม่ผิดอะไรถ้าตนไม่รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาเกินประมาณอย่างนี้มันอย่างเรื่องราวของนางอุบบนรัตนนาเทลีพิคุณีนั่นน่ะอ่าเกิดในตระกูลเศรษฐีตั้งแต่ชาติก่อนนั้นก็เป็น พระราชธิดาของพระเวสสันดรนั่นนี่นามชื่อว่ากันหามเมื่อได้รับทุกข์ทรมานเนื่องจากพระเวสสันดรได้ให้ทานแก่ชูชกพามชูชกพามเขี่ยมตีลาบากลำบนเลยตั้งความปรารถนาลงขออย่าให้ได้มาเกิดกับพระเวสสันดร น, นี่ต่อไปเลยอย่าง น, นี้บุญกรรมอะไรมันกย่าเลย นำให้ไปบังเกิดในตระกูลเศรษฐีเสียแล้วก็มีลูกสวยลูกงามเผรวพันวันหน้าพุทธ่องเลยใครเห็นก็อยากได้เสร็จลูกชายเศรษฐีก็มาสู่ขออาราชโอรสของพระราชาก็มาสู่ขอบนณนิเศรษฐีมันก็มีหลายตระกูลน่ะมาสู่ขอเข้าไป โูวิดามาพิจารณาเห็นว่าเอลูกลูกเราเนี่มันจะมีภัยนะต่อไปอถ้าเราไปยกให้คนใดคนหนึ่งเข้าไปแล้วคนที่ไม่ได้นะมันจะอาฆาตแล้วอย่างนี้มันจะมีภัยต่อชีวิตของลูกสาวของเราวันหนึ่งก็เรียกลูกสาวมาหาแล้วก็จึงที่แจงเหตุผล ทางต่างเหล่านี้ให้ฟังแล้วก็นแนะนำให้ลูกสาวไปบวชเป็นนางภิกษณุณีนางอุปลรวันนานี่ได้สั่งสมบุญกุศลบา ร, รมีตามพระพุทธเจ้ามาเป็นใ น, นเนกาชาติอยู่แล้วบุญกุศลบา ร, รมี น, นี่นมันแก่กล้าแล้ว พ่อพอแนะนำเท่านั้นก็เลยพอใจเลยอ้าบวชก็บวชพ่อก็เลยนําไปสู่สำนักนางพิกสุณีขอให้นางพิสุณีบวชให้ท่านก็เลยได้บวชเป็นนางพิกษุณีด้วยสงสองฝ่ายอืมเมื่อนางพิสุณีบวชให้แล้วอุปชาก็พาไปสู่คณะสงฆ์บ้านี้ อาณะสง์ก็สวดยติจตุสกรรมให้อีพ ก, ก็เลยได้เป็นนางภิกษุณีถูกต้องตามพระวินัยโดยสมบูรณนน์เมื่อฉั่นบําเพ็ญไปไม่นานก็เลยได้สำเร็จอรหัตตาพลพร้อมด้วยพร้อมด้วยอิทธานุภาพเป็นผู้มีฤทธิ์มาก แต่อย่างนั้นอันนี้แหละบุคคลผู้ที่แม้จะมีรูปสวยรูปงามแล้วแต่ชาติก่อนเพื่อนก็ทำบุญกุศลมาอย่างนี้นะแล้วบุญกุศลนั่นมันก็มาโดนบันดาลให้ไม่ไม่หลงไหลในรูปสวยรูปงามอันนั้นนั่นแหละ อำนาจบุญกุศลนี่เมื่อเพื่อนทรมาเพื่อนตั้งปรารถนาขอให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางบุญกุศล น, นั้นมากระโดนบรรดาลให้ออกบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เิดเสียแล้วเพื่อนกดพนทุกข์ก็เข้าสู่นิพพานไปแล้วอย่างนี้แหละดังนั้นทุกคน เมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็พึ่งพิจารณาตัวเองดูว่าตนเองนั้นมีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าเพียงใดถ้ารู้ว่าตนบุญบารมียังไม่แก่กล้าถึงกับจะได้ออกปวดเช่นนี้ก็เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ใน เรือนนั่นอยู่ในบ้านในเรือนนั่นเสียเป็นผู้เว้นจากความชั่วดังกล่าวมาแล้วนั้นตั้งใจทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมไปไยพระภาวนาไปตามกำลังความสามารถเช่นนี้ความชั่วไม่ทำแล้วทำแต่ความดีบุญกุศลมันก็ดย่อมจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ใดพินาเห็นว่าตนนั่นมี ศรัทธาแรงกล้าเบื่อหน่ายในการคลองเลือ่อนเช่นนั้นแล้วก็สมควรที่ออกบวชได้ผู้ผู้ออกบวชได้เป็นนักบวชได้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามเรียกว่าเบื่อหน่ายในการคลองเลือนแม้จะมีความสุขอยู่บ้างมันก็มองเห็นความทุกข์นั่นรู่มันมีมากกว่าความสุขในการคลองเลือนอย่างนี้นะ เช่นนั้นแล้วก็จะหนีออกปวดเลยได้ผู้นั้นนะบุญบบุญกุศลที่บําเพ็ญมาตะก่อนนั่นนะมันก็โดนบันดาลให้ได้ออกปวดมาอืมเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดได้บวดมาจะเป็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีหากก็ไม่จําเป็นจริงๆแล้วก็ควรฝึกตนพยายามฝึกตนทําลายกิเลสจําหยากให้เบาวางออกไปจากกิตใจ ด้วยอำนาจแห่งศีลสมาธิปัญญาดังที่ที่แจงให้ฟังมานั่นนะอย่าไปทำความชั่วเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วนะสํารวมตนอยู่ในธรรมในวินยัยอย่างเคร่งคัดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยสละชีวิตเพื่อธรรมเพื่อวินยัยจริงๆอถ้ากิเลสลาค้าตัณหามันยังหนาแน่นอยู่ในใจ ก็ต้องทำความเพียร อ, อดนอนผอนอาหารลงไปไม่เห็นแกลับแกลนอนทำความเพียรในอิริยบถทั้งสี่เดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้งางให้สม่ำเสมอกันไปไม่นอนมากเกินไปไม่กินมากเกินไปอย่างนี้นะก็บไม่ไม่ต้องกลัวแต่ ร่มแต่ตายเพราะอาศัยกินน้อยนอนน้อยนะั่นแะไม่ต้องกลัวเราถ้าบุญกุศลมีอยู่แล้วไม่ตายนะอย่างที่หลวงปู่เคยพูดให้ฟังมาแล้วนั่นแหละว่าเราฝึกตนทรมันทนมายังไงอดนอนพอนอาหารยังไงมาจนยังฉันเข้าวันละฝายมือนี่ตลอดพรรษาก็ไม่เห็นมันตายนี่ ก็อยู่ได้มาจนปันนี้เหละ อ, อดนอนอยู่ตั้งตลอดสามเดือนก็อดมาแล้วก็ไม่เห็นมันตายไนะอมันเป็นเชนั้นเลี้งมันนะดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกตนทร ม, มานตนลงไปเต็มความสามารถหากว่าเมื่อกิเลสมันยังหน า, นานแน่นอยู่ในใจอย่าไปท้อถอยเพราะบุญเรามีแล้วเราจึงได้มูลเข้ามาสู่วจวาศาสนานี้ ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเข้านี้